พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่ส0บโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9ทธันวาคม 2,556 หมีชื่อเรื่องว่าควรทำงานด้วยความเสียสละโลกหลานก็คงจะสังเกตเอ๊หลวงพ่ออินเมื่อวานนี้ทำไมไม่เห็น ทำวันทำไมวันนี้จะโผล่มาอีกไปที่ไหนนาแต่วันก่อนหลวงพ่อตัดสินใจแบบปุบ ป, ปับนะลงกรุงเทพเพราะหลวงพ่อตั้งแต่เจ้าพระคุณสมเด็จสินพระสนนะหลวงพ่ อ, อยังไม่เคยลงไปกราบสริรละของท่านเลยแต่ว่าตามไม่จริงสินพระสนพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอมีศัพ์เลยเยอะแยะไปเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะ สวรรคตหรือว่าชินพระสนหรือมรณะภาพหรือมรณะถ้าใช้ไม่ถูกมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะลูกหลานนะลูกหลานให้สังเกตลูกหลานหลุงหลงพ่อเนี่ยเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังให้สังเกตคําว่ามรณะเนี่ยคือใช้ในคนที่ว่าตายคนตายเกิดใช้ทั่วๆไปมรณะเนี่ยคือคนญาติโยมมรณะภาพนีค่คือพระภิกษุฮ ช, ชินพระชนชินพระชนก็คือเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชสวรรคตเนี่ยปรินิพานเนี่ยมีหลายศัพท์อย่างบางคนก็ว่าเมนเมเนี่ยเมลุเนี่ยเมลุมาศน่ถ้าหาว่าเป็นเมนเมนหลวงเนี่ยว่าเมลุมาศคล้ายๆว่าออกออกทองออกทองพระโรงที่งานศพใหญ่ ถ้าว่าธรรมดาเนี่ยเมนเมนลุเมลุหลวงพ่อเน่ยเคยพูดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาัดนี่แหละพอพูดอย่างนี้นเสียงมันออกไปดังไปทั่วประเทศสมัยนั้นนะ่ะที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพอออกไปที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาโทรศัพท์เข้ามาบอกบอกหลวงพ่อเอนด้วยอย่าไปบอกว่าเมนลุเมนลุไม่ได้เมนเมนเมน หลวงพ่อก็เลยจําไว้ลูกหลานฟังเอาไว้นะไม่ใช่เมลุนะ เ, เมน เ, เมนลุมาดเปอีกส่วนหนึ่งอันนี้เมน เ, เมนไปโวานที่พระราชทานเพลิงสิริละของหลวงปู่ของเราเน่ย เ, เมนครไม่ใช่เมลุนะเนี่ยเราหลวงพ่อได้ไปลงกรุงเทพเมื่อก่อนลงไปก็ไปพักที่วัดบวรนิเวศอแล้วก็พอฉันยังหันเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปกราบ สมเด็จพระวรนรัตอยากท่านก็เลยขึ้นไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจนถึงเที่ยงนะเ่อนตั้งแต่ตั้งแต่เก้านาฬิกานะลูกหลานนะนั่งจนเที่ยงจตกนันก็เลยมานั่งเครื่องกลับมาลงอุบลไปขึ้นที่อุบลแล้วก็ลงที่อุบลเมื่อวานเนะี่ยกลับมาถึงวัดเกือบสองทุ่มนี่แหละ อันนี้คือหลวงพ่อไปธุระเมื่อวานนี้แต่ถึงยังไงก็เป็นห่วงห่วงเรื่องวัดของหลวงปู่ของเราถามไถ่อยู่ตลอดเต้นไปยังไงมายังไงนี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเวบบที่คุณจรเดชนั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยได้ส่งเต้นขึ้นมาช่วยสีขาวเวบบแล้วก็มาจากอุดร และก็มาจากสถานที่ต่างๆเต็นคือเราต้องการอย่างมากเพราะว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาในช่วงนั้นไม่รู้ว่าฝนฟ้าฝนจะเป็นยังไงพวกเราก็ได้เตรียมการไว้ก่อนถ้าฝนไม่ตกก็ดีไปถ้าฝนตกน่ะนกพวกเราจะอยู่ยังไงอย่างน้อยก็ได้อาศัยร่มเต็นที่ได้พึ่งพาอาศัยเพราะนั้นเรื่องเต็นก็ดีระหว่าการ กลางเต้นก็ดีก็ต้องอาศัยพระของเราเนี่ยเป็นกำลังหลักส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานชาวบ้านถึงยังไงยังไงก็นันะออกมาช่วยกันแต่หลวงพ่อเองก็ประกาศอยากจะได้ฟังมาปูเพราะนั้นพี่น้องในละแวกนี้จะเป็นหลงเรียรูกบ้านไหนก็ตามนะ ที่หลวงพ่อไปสร้างโรงเรียนไว้ให้ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ช่วยช่วยกันนะบอกต่อๆกันไปด้วยบอกว่าช่วงนี้หลวงพ่ออินต้องการฟางมาปูนั่งสําหรับพี่น้องประชาชนมาจากยาตุรทิศเข้ามาในเต็นท์แล้วก็ต้องมีฟางปูทําให้มีฟางปูพวกเราย่ํำในแผ่นดินพอย่ําไปย่ำมาก็เป็นฝุ่นขึ้นมาเพราะเป็นฝุนขึ้นม า, นนนมาแล้วกับนี่แหละฝนฝุนฝ่นคลุ้ง ในขณะที่พวกเราเข้าไปนั่ง เ, เดี๋ยวก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะนั้นควรจะมีฟางปูสำหรับเป็นที่ปูนั่งทามากกว่านั้นนะหลวงพ่อเองก็อยากจะได้เสือเหมือนกันนะ เ, เสือกกเสืออะไรก็ได้ เ, เสือราคาถูกๆอ่ะเอามาปูให้สำหรับครูบาอาจารย์ได้นั่งถ้าเก้าอี้ไม่พอนะออแล้วก็พี่น้องประชาชน ที่มาก็อา จ, จเอาเสือปูก็ได้ไม่ใช่เสือราคาแพงนะเสือฟางเสืออะไรก็ได้ที่เห็นใครๆเห็นที่ไหนเอามาเนอะพระลูกพระหลานเนอะวัดต่างๆเนอะนี่ะอยากจะได้ฟางอยากจะได้เสือปูนั่นสำหรับศรัทาญาติโยมลูกหลานที่มาร่วมงานเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราเหมือนกันนะั่นแะ สรุปแล้วก็คือให้ช่วยกันคิดคนละไม้คนละมื อ, อไม่ใช่ว่าคิดแต่จะจะมากินแต่ส้มตำอย่างเดียวไม่ได้น ะ, ะคิดมาเสียสละบ้างคิดมาร่วมทําบุญบ้างแต่หลวงพ่อนะ่ยหลวงพ่อก็ยังคิดนะไปนะัดสถานที่ใดหลวงพ่อคิดนะจะทําบุญอะไรในงานนี้เนะี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อไปสมเด็จเจ้าปรุณณสมเด็จพระสังฆราชนะหลวงพ่อก็เอาปัจจัยวัดนะ่ย ไปยืมจากกรุงเทพเพระหลวงพ่อไม่มีเงินไปได้ไปยืมจากโยมจากกรุงเทพเออเดี๋ยวจะโอนมาให้นะนี่แหละหลวงพ่อถวายเจ้าพระคุณสมเด็จหน0 0 0แสนเมื่อวานในงานศพงานหลุกรานเนาะอนุโมทนาสาธุนัลุกหลานเนาะงานศพเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อถวายท่านห0 0 0 0แสนแล้วก็ถวายเจ้าอาวาสท่านอีกสองหมื่นไปเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อถวายปัจจัยไปแสนสองหมื่นบาท ถวายเมื่อวานนะี้นี่แหละหลวงพ่อไปนนสถานที่ใดไม่คิดว่าจะไปไปเอานะโดยมากจะไปถวายให้เกิดประโยชน์ต่องานดนั้ น, น, นอย่างมาที่นี่กเหมือนกันหลวงพ่อคิดว่าจะมาช่วยอะไรให้งานหลวงปู่ของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะพูดยังไงจึงจะให้งานหลวงปู่ไปได้ดีจะทำยังไงคิดยังไง งานของหลวงปู่จะไปได้ดนะีเพราะนั้นส่วนไหนหพอที่จะบอกกล่าวคณะสัตย า, าติยมลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อถึงจะอยู่ใกล้ไกลหลวงพ่อก็เรียกหาบอกว่าเออคณะสัตย า, าติยมลูกหลานเนอะงานของหลวงปู่เนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ก็มีการประชุมพระราชทธธานเพลิงก็มีครั้งเดียวในงานหลวงปู่ของเราขอให้ลูกหลานทั้งหลาย ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่ออินก็ดีหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหารักเคารพในองค์หลวงปู่ก็ดีขอให้มาร่วมกันมาช่วยกันจะทำยังไงงานหลวงปู่จะสาเร็จร่วงไปด้วยดีราบรื่นนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ไปนะสถานที่ในหลวงพ่อก็ประกาศเองเหมือนกันนะออวัดต่างๆที่เก็บผ้าขาวไว้ผ้าไตรเอาไว้อยู่ในวัดไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้อยากจะทำบุญให้เอาขนมาเนอเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เก็บทิ้งไว้เสียหายเฉยๆเก็บมาไว้เก็บมาทำบุญเอามาทำบุญในงานนีงานนี้งานของเราเนี่ยต้องการอย่างมากต้องการผ้าไตรหรือต้องการผ้าขาวที่จะมาร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าทอดผ้าไตร ในงานพระราชทานในคราวนี้นะีอันนี้ข้หลวงพ่อก็ได้ประกาศไปนสถานที่ใดหลวงพ่อก็บอกกล่าวเพราะว่าบางทีวัดอย่างวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันในงานของหลวงตาหลวงพ่อก็ได้ขนไปนถวายไว้ฟัดปากบ้านตาเออนี่แหละพาดไตรใส่รถปิ่อัอไปหัวเชิดเหมือนกันนะมาที่นี่เอามาสองคันอีกเหมือนกัน มาเกือบสามร้อยไตรลงมาที่นี่นะโล่สต็อกเลยฮอโล่สต็อกแต่ทําไมมีมากถึงขนาดนั้นหลวงพอ่อใช่คือหลวงพ่อก็เก็บไว้ที่ห้าไตรสิบไตรที่เขามาถวายนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ถวายไปตามวัดต่างๆนะถ้ามีการบวชที่ไหนหลวงพ่อมีผ้าไตรไหมหลวงพ่อก็ยกให้เลยมีกี่องค์สิบองค์ยี่สิบองค์หลวงพ่อให้ไปเลยนะไม่เคยห่วงแต่มันก็หลั่งไหลมา มันไม่เคยอดหรอกอันนี้สงทานไม่เคยอดใน enfin, พี่น้องลูกหลานนะมีแต <c oughs> อ<ะ>่อันนี้สงขีแต่นีทีเนียวเนะหมดไปหมดไปถ้าอันนี้สงทานันไม่เคยหมดมีต่้งหลังไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดมันไหลเข้ามาในสร ะ, ะของเรามันไหลเข้ามามล้วก็ไหลออกไปไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปน้ําใสสะอาดนะแต่ถ้ามันไหลเข้ามาแล้วขังเอาไว้ไหลเข้ามาแล้วก็ขังไว้ พอขังไว้ขังไปขังมากงวดเข้าไปเรื่อยๆเกิดขี้ตะไครน้ำอีกต่างหากเนี่ยเป็นน้าสกปรกเป็นน้ำหมักหมมอีกต่างหากเพราะนั้นไทยธรรมที่เราได้มาเนี่ยหลั่งไหลไปเรื่อยๆองพ่อเห็นคุณค่าอย่างนั้นนะลูกหลานนะการเสียสละนี่มีประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเรากว้างขวางไปในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมด แต่คนที่ขี้ตีนีไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่อยากจะรับนะแห่ถ้าคนใจกว้างไปที่ไหนมีแต่ใครอยากจะเป็นอญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์ฮแต่ข้าเป็นครูบาอาจารย์ไปที่เด้อไปที่ไหนมิแต่อยากได้ของเขาเนี่ยเขาไม่อยากจะรับหรอกอ่เพราะฉะนั้นใจกว้างขวางไว้นะ่ะดีนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งบอกกล่าวกันนะเรื่องพาดไรบอกเกา่าครูบาอาจารย์มาทิ่งไหน แล้วก็เรื่องฟงังเรื่องเสือแล้วก็ให้พี่น้องลูกหลานพระเนรที่อยู่ในวัดเนี่ยก็ให้ช่วยๆกันนะเนอะเรื่องการเรื่องงานให้เสียสละแล้วก็สรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงมากเป็นห่วงคือกลัวพี่น้องลูกหลานจะทะเลาะกันพระเนรจะทะเลาะกันอย่าให้เกิดมีนะลูกหลานนะามาบูชาพระคุณองค์หลวงปู่ของเราหลวงปู่ของเรามีแต่พระคุณมีแต่เมตตา ตอเพื่อนพี่น้องลูกหลานต่อพระเนนต่อลูกต่อหลานทุกองเพราะนั้นพวกเราเข้ามาให้เป็นผู้เสียสละให้ตั้งใจทําการทํางานอีกไม่กี่วันก็พวกเราก็จะแกแยกย้ายกันไปแล้วหลวงพ่อเองกันเนี่ยที่มาเป็นนั่งที่เป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยแต่หลวงพ่อก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานเท่านานพอเสร็จงานเลยหลวงพ่อก็กลับไปวัดแล้วกลับไปแล้วอีกนานเท่าไหร่จะหลวงพ่อจะได้โผล่มาอีกนะ ตอนนั้นมาขณะที่มาอยู่ด้วยกันเนะี่ยมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ด้วยกันสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีให้พวกเราแสดงออกเอาคุณงามความดีมาอวดกันไม่ใช่ว่าเอาเขียวเอาลบเอาเขี้ยวเอาเล็บเอากลเลดราคะโทสะโมหะโลคโกดลงเออออกมาห้ามหันกันมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเอาคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีฮนั่นแะหละ เอามาอวดกันแล้วก็ออกแสดงออกอพวกเราก็จะร่วมเย็นเป็นถูกคิดดีคิดยังไงคิดจะเกื้อกูลหนุนกันคิดอยากจะช่วยงานให้หลวงปู่ให้สําเร็จสิ่งไหนที่เราจะเกิดประโยชน์ในงานนี้เราหมั่นขยันแล้วก็หาสิ่งที่มาช่วยกันคิดดีแต่ทําก็เราก็ทําดีแล้วก็พูดก็อย่าให้ทะเลาะว่อกแวกกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันอย่าไป พูดก้าวเล่ากันจะไปพูดดูถูกเกลียดยามกันใ ห, ให้รักกันเมตตากันอีกไม่นานเขานะ่ะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วก็เมื่อเราทําดีแล้วเรากลับไปถึงวัดเรากลับไปถึงกลับไปถึงบ้านเราก็ดีใจเออเราได้มาช่วยงานหลวงปู่ด้วยความตั้งใจออด้วยความออสุดจริตใจออด้วยความ เ, ออเป็น จิตที่เป็นกุศลจริงๆที่มาเราท ำ, ทำมาทําบุญกับหลวงปู่ในคราวนี้เมื่อเรากลับไปบ้านแล้วเราก็จะสบายใจนึกขึ้นมาเวลาไหนก็ปลื้มใจอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยนะไปจัดงานขององค์หลวงตามหาบวชไปทําอยู่ที่นั่นหลวงพ่อเนี่ยทำอย่างสุดใจจริงๆพอกลับมามาอยู่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็จะปลื้มใจสบายใจดีใจ ว่าได้ทำบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราด้วยความเต็มใจจริงๆงานหลวงปูล่ลาก็เหมือนกันผ้าผ่านมันหลวงพ่อก็ปลื้มใจงานของคุณแม่ชีแก้วก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ปลื้มใจที่ว่าได้ทําผ่านไปแล้วนี่แหละงานหลวงปู่จามเนี่ยเหมือนกันที่เป็นงานของหลวงพ่อที่พ่อตั้งใจก็คืองานหลวงอาเนี่ยละหลวงปู่จามเนี่ยเป็นงานที่หลวงพ่อทุ่มเ ท, ทงานหนึ่ง แล้วก็หลวงพ่อก็พยายามทำให้ดีที่สุดอีกงานหนึ่งเหมือนกันผมวงพ่อทำเสร็จแล้วนะ่ะหลวงพ่อก็คงจะสบายใจรือปลื้มใจอีกเหมือนกันนั่นแหละพระนั้นขอให้ลูกหลานทุกองค์หน้าศรัทธาญาติโยมทุกคนการทาการจัดงานขององค์หลวงปู่ในคราวนี้ก็ข อ, ขอให้ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยหวังบุญหวังกุศลจริงๆ อย่าไปหวังหน้าหวังตาอย่าไปหวังลาบหวังยศอย่าไปหวังสิ่งอื่นให้ฝังบุญเพราะสักยิงสิ่งอื่นเน่เราเสาะแสวงหาภายนอกเราหากรรมธรรมมาค้าขายทางนอกก็ได้อยู่แล้วแต่นี้เรามาสร้างบุญในวัดป่าวิเวกวัฒนารามเยเรามาสร้างบุญเพื่อให้บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าคนมีบุญแล้วนะถ้าคนมีบุญ ในจิตในใจแล้วไปนสถานที่ใดมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกหัวแหลแห่งคนมีบุญถ้าหากคนมีบาปเราไปที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะทศไทา ญ, ญาติจมลูกหลานผ้านเนนทุกๆองเนนะที่หลวงพ่อพูดท้งนี้ไม่มีเจตนาอย่างอื่นเจตนาดีเท่านั้นเจตนาดีหวังดีอยากจะให้งานหลวงปู่ของเราไป ด้วยความราเริงสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ในงานหลวงปู่หลวงพ่อมองมองมองมองเสร็จแล้วกว็ขอร้องลูกหลานที่รักเคารพในหลวงพ่อรักเคารพในองค์หลวงปู่เป็นพุทธศาสนิกชนขอให้มาช่วยช่วยงานหลวงปู่นะไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นหลวงพ่อกล่าบพระเจดีของหลวงปู่กราบศันดิะของหลวงปู่ ยังระลึกถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายอยู่นสถานที่ใดขอให้มาช่วยบรรทุนบรรดาลให้งานหลวงปู่ของเราสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะหลวงพ่อไม่ใช่แต่ขอมนุษย์เท่านั้นนะขอก็ตั้งเทวดาไอ้อินพรหมที่มองไม่เห็นไอ้เทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายไอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้งานนี้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีจะมีอุปสรรคนานัประการฮนะนะเพราะว่า ในเมืองมนุษย์ของเรานานับประการมันมีมากหลากหลายบางทีมาศพลงปู่เนี่ยมาลดชนลดลดชนรดเฉียวเนี่ยอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นมางานของลงปู่เทพเจ้าเราเทวาธิวัตรสถานที่ใดขอให้คุ้งครองพระเนรลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่ามาด้วยความร่าเร่นไปด้วยความร่มกลับไปด้วยความเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยหลวงพ่อได้ตั้งจิตอธิษฐานขนาดนั้นลูกหลาน ไม่ใช่ว่าจะขอแต่มนุษย์นะขอกระทั่งเทวเทพเจ้าเหล่าเทวาด้วยนะให้มาคุ้มครองคณะจทธายญาติโยมลูกหลานทุกองให้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนให้มีจิตใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราจะมีความประทับใจนานเท่านานต่อนนี้ไปรับพอนณทนีนะ